ยักษ์เห็นแกตัวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปราสาทหนึ่งที่ตั้งตระงานกลางเมืองซึ่งถูกปล่อยทิ้งว่างมาหลายปีที่นั่นไม่มีใครอยู่หลายคนบอกว่าที่นั่นเคยมียักษ์อาศัยแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีใครเห็นยักษ์เลย เ้ยได้ยินเรื่องยักษ์ในปราสาทหรือเปล่าฉันว่ามันเป็นแค่ข่าวลือเราไม่ควรเชื่อนะเราเคยเห็นยักษ์บ้างไหมล่ะไม่ไม่ไม่ไม่ไมเราควรจะดื่มด่ำกับความงามของที่นี่ไม่ต้องไปสนใจข่าวลือแบบนั้นแต่ใครเป็นคนดูแลสวนผกนี้ล่ะที่ปราสาทนั้นมีสวนสวยล้อมรอบ มันเต็มไปด้วยดอกไม้ต้นไม้ผ ล, ลไม้นกและผีเสือ้อทุกวันจะมีเด็กๆไปเล่นที่นั่นมันเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยของเด็กๆพวกเขาจะเล่นการละเล่นต่างๆพวกเขาชอบเล่นไล่จับผีเสื้อมากเฮ้ hey, ดูผีเสื้อส้มนั่นสิเออฉันจะจับมัน hey. <Yeah. S 1> เอง ออนะสวนมันสวยมากดังสวรรค์และหลังจากนั้นวันหนึ่งยักษ์ก็มาถึงเขาดีใจที่ได้เห็นสวนสวยถูกดูแลอย่างดีโอ้สวนสวยของฉันมันยังคงได้อนจากธรรมชาติอยู่ฉันดีใจที่ได้มาที่นี่ตอนบ่ายวันนั้นยักษ์กลับมาที่ปราสาท ตอนนั้นไม่มีเด็กคนไหนเล่นในสวนเลยยักษ์ชอบความสงบแต่ถึงอย่างนั้นในตอนเย็น<ม>เขาก็รำคาญเสียงข้างนอ <c oughs> กเด็กๆมาเล่นในสวนยักษ์ชอบอยู่คนเดียว <c oughs> เขาไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวาย <c oughs> เขาตัดสินใจออกไปในสวน <c oughs> เมื่อยักษ์เข้าไปในสวน <c oughs> เด็กๆ ก, ก็เริ่มกลัว เขาเริ่มร้องกรีดรีบหนีทุกคนพยายามหนียักษ์โกรธมากที่ได้เห็นว่ามีเด็กหลายคนขนาดนั้นไปไกลกๆพวกสัตว์ประหลาดจิว๋ว <c oughs> พวกนายกําลังทําให้สวนสวยๆของฉันเสียหายไปไกลๆ <c oughs> แลอยากเข้ามาในทินฉันอีกนี่คือสวนของฉันไม่ใช่ของนาย <c oughs> เด็กทุกคนรีบวิ่งออกจากสวนแล้วกลับบ้าน ยักษ์กลับเข้าประสาทและดื่มด่ำความสงบสุขเขากลับไปนอนเด็กๆคิดว่ายักษ์หายไปแล้วพวกเขาอดใจเข้าไปในสวนอีกไม่ได้ยักษ์ตื่นขึ้นมาอีกและเห็นเด็กๆ เ, เล่นในสวนเขาโกรธมากาใส่เด็กเด็กที่แสนกลัวก็วิ่งหนีไปยักษ์จับตาดูสวนอย่างดีเขาไม่นอนด้วยซ้ำ ตอนดึกเขาเห็นกิ่งดอกไม้หล่นลงมาเขาไม่เข้าใจว่าทำไมดอกไม้ร่วงลงมาเช้าวันถัดมายักษ์เห็นเด็กๆ เ, เล่นในสวนอีกเขาเรีบไปที่สวนอย่างโกรธเกรี้ยวเด็กๆ ก, กลัวมากเมื่อเห็นยักษ์โกรธยักษ์ตัดสินใจเพิ่มขนาดรั้วของปราสาท ต, ตอนนี้ยักษ์อยู่คนเดียวในปราสาท ไม่มีใครเข้าไปในสวนได้ยักษ์เห็นแก่ตัวมากเลย so เขาต้องเศร้ามากๆเลยละ่ะเราต้องหาเหตุผลว่าทำไมเขาเศร้านะให้เขามาเล่นกับเราไม่ละ่ะเราบอกเขาได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าไปข้างในได้นะ mm hmm. ยักษ์เคยนอนตลอดเวลา mm hmm. ตอนเขาตื่น เขาจะนั่งที่สวนและดูความงามของสวนแต่เขาเห็นว่ากิ่งไม้ค่อยๆร่วงลงมาเขาเลยคิดว่าก็ <prechen> แค่ไม่นานหรอกถ้าฤดูใบไม้เปลี่ยนมาสวนของเราจะสวยอีกครั้งเขานั่งที grim, ่หน้าต่างคอยดูสวนของเขาแห้งลงทุกวันทุกวัน <H an> โอ้เราจะรอเราดูใบไม้เปลี่ยนสวนของเราจะได้สวยและมันจะสวยกว่าทุกทีด้วย เราดูใบไม้ผลิมาแล้วผ่านไปแต่สวนก็ยังแห้งแล้งเหมือนเดิมไม่มีดอกไม้เหลือแม้แต่นิดเดียวนอกกับผีเสื้อก็ไม่มียักษ์ไม่มีความสุขเลยทำไมสวนของเราไม่มีดอกไม้เลยนะธรรมชาติไม่เข้าข้างสวนสวยๆของเราทำไมกันธรรมชาติโกรธเราเหรอแต่ทำไมถึงต้องโกรธด้วยละ่ะยักษ์คิดถึงเรื่องนั้นทั้งวันทั้งคืน ตอนนั้นเขาเบื่อกับความเหงาเช้าวันหนึ่งเด็กเข้ามาในสวนพวกเขาเล่นตรงนั้นจนกระทั่งยักษ์เห็นพวกเขายักษ์โกรธพวกเขาวิ่งไปหาเด็กๆและตะโกนใส่เด็กทุกคนวิ่งห น, นีไปกันหมดเว้นแต่เด็กคนหนึ่งยักษ์เห็นเด็กตัวเล็กใต้ต้นไม้เขาตัวสั่นตอนยักษ์เข้าใกล้ ร้องไห้หนักมากมาทำอะไรที่นี่อย่าฆ่าผมเลยผมจะไม่มาที่นี่อีกท่านฆ่าคนที่ไหนกันไม่เลยท่านไม่ใช่คนใหม่ดีไม่ไม่ท่านไม่ฆ่าใครท่านไม่ฆ่าเธอเหมือนกันไม่ต้องร้องผมอยากกลับบ้านให้ผมไปนะแล้วก่อนท่านมานายทำอะไรอยู่ ผมอยากจะปีนต้นไม้นี้แต่ทำไม่ได้อ้องั้นเหรอมาฉันจะช่วยยักษ์ยกเด็กคนนั้นวางไว้บนกิ่งไม้เอาล่ะเรียกเพื่อนเธอเข้ามาสิมาเล่นกันที่นี่เลยยักษ์เห็นรอยยิ้มของหน้าเด็กชายเด็กคนนั้นเรียกเพื่อนของเขามาเด็กๆ เ, เข้ามาและยักษ์ก็กลับเข้าปราสาทไป ตอนนี้เขาเห็นว่าต้นไม้ของเขาเริ่มมีดอกไม้เขาดีใจมากที่ได้เห็นดอกไม้มีความสุขมากด้ว ย, ยเขาหันไปและเห็นเด็กๆ เ, เล่นใกล้ๆหลังจากนั้นเด็กก็เริ่มเล่นที่สวนเหมือนทุกทีและอีกไม่นานสวนก็เบ่งบานเหมือนอดีตยักษ์นั่งมองที่หน้าตา่างเข้าใจว่าความสวยของสวนมันมาจากไหน